ต่อนนี้ไปก็ตั้งใจฟังทหนะที่เราฟังนั้นฮะตากันน้อมใจเข้ามาคือน้อมความรู้สึกของเราเข้ามาตั้งไว้ท้างมันแล้วก็ฟังเรียกว่าตั้งใจฟังพร้อมทั้งรักษาใจของเราไปในตัวนั้นด้วยไม่ให้จิตของเราฟุ้งออกไป การน้อมเข้ามาทางไหนนี้ก็เรียกว่ารักษาจิตจิตน็่คือใจของเราคิดนึกปุงแต่คิดไปตามเรื่องราวต่างๆที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินบางอย่างเราไม่ได้จดจำ มัได้เจตนาจงใจที่จะจำในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินอยู่ังนั้ น, นแต่มันก็จำโดยธรรมชาติของนในขณะที่เราเอาใจเข้ามาสงบไปข้างในความคิดมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานันมันผุดขึ้นในใจ อาการที่มันผุดขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจหรืออารมณ์ที่มันมีในใจของเราแหละทีนี้ถ้าเราไม่เอาใจกำหนดรูใจมันก็ ตายไปตามอารมณ์นั้นเอามาวิจาร์เอามาวิจัยเอามาคิดเอามาปรุงมาแต่งเมื่อไปคิดไปปรุงไปแต่งแล้วเวทนามันก็เกิดคือเกิดเป็นโสมนัสโทมนัสโสมนัสหมายถึงยินดีพอใจในสิ่งที่โตเองปรุงแต่งคิดนึกนั้นนั้นเป็นโทมนัสคือ ไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่พอใจในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานั้นคือปรุงแต่งไปตามอำนาจแห่งความไม่พอใจก็เป็นพยาบาทอาฆาตมารลายเรียกว่าวิตกในทางที่เป็นพยาบาท ถ้ามันเป็นขึ้นมาอย่างนั้นใจก็ไม่สงบ <c oughs> ใจก็ฟุ้งซ่านไปตามอาการนั้นๆทีนีนน้วิธีสงบจิตนั้นท่านจึงให้เอามาดึงอารมณ์เหล่านั้นเรื่องราวหนังนั้นให้มันอยู่ในจุดเดียวมันจะปรุงมันจะแต่งมันจะคิดเนื้ออย่างใดๆเราก็ให้รู้อยู่ในจุดเดียวนั้นมีสติรู้อยู่ในจุดเดียวนั้น ถ้ารู้อย่างนั้นแล้วมันก็จะนิง่งนิ่งรู้อยู่รู้อยู่ได้แล้วก็ทำใจของเรานะให้นิ่งรู้อยู่คือเรารวมความคิดปรุงแต่งต่างๆนั้นมารวมไว้ในจุดเดียวอย่าให้มันซ่านไปในที่อื่นไอ้ที่ตั้งของจิตสำคัญมาก ถ้าผู้ใดไม่รู้จักที่ตั้งจิตมันก็เลยทูกซ่านใหญ่ลำคาญใหญ่ดะนั้นทุกคนต้องฝึกหัดตั้งจิตให้เป็นตั้งเข้าในที่ตั้งมันให้เป็นถ้าเราดึงขึ้ น, นมาแล้วเราไม่ได้นึกพุโทโธธรโมโธสังโฆทังนั้เนเลยลาน้อมกับเรื่องความรู้สึกเข้ามาจดจ่อพับชั่วขณะจับจุดได้แล้วข้างแรก จิตมันอาจจะกระวนกระวางอ า, าจจะกระสิกกรสนในขณะที่เราดึงเข้ามานั้นแต่เมื่อเราเพียรพยายามเพ่งดูในจุดที่เดียวนั้นประกับสองสามนาทีใจก็จะรู้สึกชื่นขึ้นมาเมื่อมันรู้สึกชื่นขึ้นมาก็ประคองรักษาไว้อย่างนั้นก่อนเราประคองรักษาได้อย่างนั้นแล้วตอนนั้น เราต้องใช้ปัญญาซะก่อนจิตมันจึงจะจมลงมันจึงจะนิ่งนี่ฉะนั้นเพียงแต่เรากดดเผ้อเนี่ยเผอแพบเดือมก็วิ่งไปแล้วเมื่อเราจับจุดที่ตั้งที่นิ่งของจิตได้แล้วเราประคองจิตนั้นแล้วเราก็อ่านข้างในเนี่ยขึ้นมาอ่านข้างในขึ้นมาก็คือว่า โโกำหนดรู้ขึ้นมาขนาดนั้นว่าขนาดนี้ในเวทนาทั้งสามคือเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นกลางกลาหรือรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นะในภายในจิตขนาดนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงมันรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ถ้าเราจับได้เออเรารู้สึกว่าสบาย รู้สึกล่สบายใจขึ้นมาแล้วก็กําหนดอาการนั้นบอกว่าอาการที่มันสบายอย่างนี้ใจนั้น่ะเป็นผู้เป็นผู้รับเป็นผู้เสวยรับรู้ขึ้นมาว่าสบายอาการที่รู้จักว่าสบายอย่างนี้กับภาว่ามันมีความชื่นมีความ สบายใจขึ้นมาคืออารมณ์เป็นฝ่ายที่ที่ให้สุขใจแต่คาสวารู้สึกว่าเบาขึ้นมาข้างในนี่ชุ่มชื้นขึ้นมาในทรวงอกนี้เราก็เลยว่าเรียกว่าสุขกันแต่ทีถ้ากงกันข้ามรู้สึกว่ามันอุดอัดรู้สึกว่ามันฝืดมันคับ อ, อูนกระเสือกกระสนอยู่ภายในอารมณ์ข้างในหนึ่งเราก็เรียกว่าอารมณ์เป็นทุกข์ อารมณ์ไม่สบายอารมณ์ชนิดนั้นมันกลิวมันไม่จมลงมันไม่นิ่งลงหาอารมณ์เป็นที่สบายแล้วมันจะจมมันจะนิ่งลงมันสุดรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นมาในภายในทรงอกนั้นแล้วก็สอนใจต่อไปว่าการที่เป็นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเทานะั้นมันไม่ใช่นแน่มนนอนอะไรทั้งนั้น ฉะนั้นอย่าจะไปเอาใจใส่มันเลยเอาใจใส่ไงเอาใจใส่ความแตกต่างเราใส่เอาใจใส่ความรู้นิ่งรู้เราจะทําความรู้สึกให้นิ่งรู้อยู่อย่างนี้สุขก็ชังมันเถอะทุกข์ ก, ก็ช่างมันปล่อยมันไปไอ้สุขทุกข์กที่มันเกิดต้อเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ผุดขึ้นมาใน ใ, นใจเพื่อขนาดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ใจใจคือตัวกลางตัวรู้ฉะนั้นเราจะกําหนดตัวเอาตัวกลางนี้ จะกำหนดเอาตัวรู้นี้อาการสุขเราก็จะไม่ไปอยู่ด้วยอาการทุกเราก็จะไม่ไปโคลนกวานด้วยสิ่งเหล่านั้นนอกนอกจากดวงรู้นี้จะไม่ไม่รู้อยู่เราก็สาวกไปหาดวงรู้นี่คือจุดต่ำและอารมณ์ทั้งห้าแลอารมณ์ทั้งสี่คือ เวทนาสัญญาสังขารมอยานมันก็มีพร้อมอยู่อยู่ขนาดนี้แล้วเราอ่านต่อไปงานว่าตัวสัญญาเนะี่เป็นพื้นฐานมันเป็นตัวจำจำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาทางตาหูาจมูกริงกายนะั่แหละเมื่อทำใจนิ่งแล้วเนาะสิ่งเหล่าน้ก็ผุดขึ้นมา พ่อเราจาไว้เหมือนเส้นเทปที่เขาบันทึกเสียงมันบันทึกสิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายมันบันทึกไว้เท่านั้นอพอนิ่งเท่านั้นมันก็เปิดออกมาเสียงดังออกมาแล้วถ้าเรากดอยู่ก็ดูมันจะนิ่งกดมันไว้นะถ้าปล่อยอีกหน่อยน้องก็พุ่งขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าเราประคองเข้าไปอย่างนะ่ะเหมือนกับกดมันไว้ มันก็ไม่ไม่พุ่งขึ้นมาแล้วแต่นี้ถ้าเราทําใจเป็นกลางนี่นะประคองดวงรู้อย่างเดียวเข้าหาจุดรูด้นะจุดศูนย์กลางก็คือดวงรู้อ่ะเข้าในจุดนั้นสิ่งอื่นนอกจากนั้นมันเป็นเพียงอารมณ์อันหนึ่งที่มันเกิดปุดขึ้นนี้เท่านั้นไม่ใช่ดวงรู้สัญญาก็คือความจําทั้งหลายหมายรู้ทั้งหลายจะนําอะไรมาคิดมาพุงกานแต่งก็อาศัยสัญญาตัวนั้นมันจับไว้ปุงไว้ อาการที่เราใคร่ความคิดนะวิจารณวิจัยใช้จิตเคลื่อนที่วิจารณ์วิจัยอยู่นั้นเรียกว่าสังขารอาการที่ใจไปรู้เรื่องอารมณ์ว่าอารมณ์อย่างนี้แหละสุขอารมณ์อย่างนี้แหละทุกอารมณ์อ่างนี้สบายอารมณ์อย่างนี้สบายหรื อ, เ ร, อ, ยอยเรื่องอย่างนี้สบายเรื่องอย่างนี้ไม่สบายอันนั้นเราเรียกว่าอาการที่รู้อย่างนั้นเรียกว่าวิญญาณก็ไปจากใจนั่นเองครับ อย่างนี้เรียกว่าเราทำใจให้ใหมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ในจุดเดียวแล้วเราก็จึงนิ่งกำหนดดูดวงรู้นั้นต่อไปเวลาเรากำหนดดวงรู้นั้นล่ะอย่าให้ใจมันไปเพลนในเวทนาคือถ้ารู้สึกว่าสึกรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็อย่าเพลินเพลินแล้วก็ลืมเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์แล้วมันไม่เอามันไม่ลงมันจะ มันจะวิ่งออกมามันจะไม่อยู่อาการทั้งสองอย่างนั้นไม่เอาทั้งนั้นจะเป็นอาการโุคกระฉังมันทุจะเป็นอาการโรคกระฉังมน ท, เนาา ท, มนทุเราจะกําหนดแต่เฉพาะที่มันจุดรู้นี้เท่านั้นนะกนําหนดไว้อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เอานี้สอนให้เอาเราสอนให้เอาตัวเองสอนให้เอาตัวเองไนมะ่ให้มันหลดให้มันโพ้น ถ้าเราจับตัวเองไม่ได้มันก็ไม่หลดุดมันก็พอาะมันก็จะนอนมันก็จะคุกคีอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละที่เกิด อ, อยู่กับอันนี้อยู่ในนี้เมื่อเรากำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นเราก็ฝึกหาที่จะกาหนดรูก้กายทีเดียเดินความรู้สึกออกมาควบรู้มันทั้งกายนี่เลย ทำความรู้สึกที่กายนี่ไว้เอาทาลองลองดูสองเสร็จชาติที่หนึ่งกำหนดรู้ไว้ที่ทางกายเลยกาหนดรู้ไหมทั้งหมดนะ่ะทาความรู้สึกที่กายนี่ละเอากายนี่เป็นที่หยุดเอากายนี่เป็นที่ตั้งกายทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งไว้ของใจพอใจความจริงมันก็อยู่ที่นี่ แต่เราไมา่ได้หมายจุดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เราไปสงบนั่นล่ะเราเราสงบครั้งแรกนะเราไปไปสงบจุดเดียวอยู่ข้างในฐานที่ตั้งข้างในแต่ในขณะที่เรากำหนดรู้กายนะทำความรู้สึกทั้งหมดที่กายนี้ครั้งแรกนะทำความรู้สึกนิ่งรู้อยู่นิ่งรู้อยู่ทั่วกายเนี่ยมันรู้ทั่วกายเนี่ยรู้อยู่ในนี่ก็นแล้วกัน ไม่แหลมไม้ <c oughs> แล้วก็ใช้วิธีใครควรพิจารณาตามหลักของแต่กําหนดกายนี้ไว้อย่าไปทิ้งหนูรู ก, กายเนี่ยอ่านกายของเราเนี้ยถือเป็นแม่บทบางครั้งมันอาจจะแวบออกไปไกลแต่ก็ต้องดึงมารู้ที่กายในไว้ซ้อนกายในในกายนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดหลอ่อตีไม่ไว่าชายและหญิงเหมือนกันนึงแหลหนังมันห่ม อ, อยู่ ทางในเต็มไปด้วยของโสโคกปฏิกูลกันทางนั้นเต็มไปด้วยของโสโคกกองกระดูกมีอยู่ในนี้นี่คือรูปร่างกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของใจใจเพียงมาอยู่อาศัยมันชั่วขนาดหนึ่งมันเท่านั้นแล้วมันก็จะเป็นไปตามสภาพนั้นของมันเองคนที่ เป็นชายเป็นหญิงเป็นผู้สูงผู้ต่ำขนาดน้อเท่ากันหมดเนี่เป็นการสอนใจเท่านั้นสอนใจเพื่อให้มันไม่กรนกระวายเพื่อแันกระสืกกระสนต่อจากนั้นเราเพียนเพลงดูนี้ให้ความคิดในร่างกายกับความการเพ่งดูนั้นต่างกันไม่แช่เดียวกัน เดี๋ยวเพลงดูเราดูจุดใดจุดหนึ่งหรือดูทั้งตัวนี้ยกเกศขึ้นกับเพลงมองทำความรู้สึกจุดนั้นเพลงมองจุดนั้นว่าส่วนไหนเป็นยังไงสมมว่าเราจะเพลงมองดูที่กายที่รูปร่างกายตนจะมองดูกระดูกที่สองอกนี้ก็กาหนดลูกขึ้นมาข้างใน น, นนึงว่านี่กระดูกอยู่ตรงนี้ ที่คงมาอยู่ตรงนี้มันเป็นอาการอย่างนั้นพร้อมทั้งนึกพร้อมทั้งเฮงดูเฮงดูทําไมเฮงดูเพื่อจะให้ใจเห็นเห็นกระดูกที่มันมีอยู่นั้นตามความเป็นจริงของมันว่ากระดูกแล้วมันมีอย่างนี้แล้วมันมีที่เป็นอย่างไรเราเพียงนึกสมมติขึ้นมาเพื่อให้จิตมันจับอาการนั้นๆได้ เมื่อเราเพียนพยายามดูอย่างนั้นสม่ำเสมอมันก็จะปรากฏให้เห็นแต่นั้นในขณะที่เพียนเพะพยายามเพ่งดูถ้ามันขนาดที่มันยังไม่เห็นใจมันก็ยังทอทอทอถอยถอยบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ออกมันเลจะเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องกําหนดรู้กายในไว้ถ้าหากว่าใจของเรารู้สึกว่ามันจะคลายมันไม่อยากจะเอาเราก็ให้หยุด หยุดกำหนดรู้ไว้เฉพาะกายนี้อย่างเดียวทำความรู้สึกอยู่ที่กายนี้หรือไม่ชะนานก็กาหนดไว้ที่ลมนี่อ่อนๆต่อไปเพื่อให้เป็นเครื่องอยู่เพื่อเมื่อใจมันมีปีติสุขมันมีความชื่นใจพอ แ, แล้วเราก็ดูอีกใหม่และสงบจิตใหม่อนในวิธีที่หนึ่ง ส่วนวิธีที่สอง้วากำหนดแต่ต้นมาคือกำหนดตั้งแต่กำหนดลมหายใจเขาออกมาไปจนจุดสุดท้ายเราปล่อยวางลมแล้วกำหนดรู้ใจทำใจให้นิ่งให้รู้อยู่ปล่อยทั้งหมดวางทั้งหมดเหลือไว้แต่รู้เหลือไว้แต่รู้อยู่ในฐานที่ตั้งนั้น ต่อจากนั้นเราจะใช้ความคิดก็ถอยออกมาด้วยลมคือกําหนดลมนั่นไว้พร้อมทั้งเพ่งดูกายด้วยเราจะขณะที่กําหนดลมไว้เราจะเพ่งส่วนไหนของกายมันเป็นที่ถนัดหมายเขาว่ามือซ้ายนะจับเหมือนกับเราไปยืนที่ใดมือซ้ายนะจับแขวนไว้ส่วนหนึ่ง แล้วก็เอามือขวาหย่อนไปจะไปคว้าเอาวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ที่ใดที่หนเราไม่ได้ไปทั้งสองมือจับไว้มือหนึ่งแล้วก็คนขคว้าเอาสิ่งของนั้นอีกมือหนึ่งแล้วกําหนดดูกายเขาเราก็ทําอย่างนั้นคือกำหนดลมเอาไว้ แล้วพร้อมทั้งดูกายด้วยแต่นั้นบางคนอาจจะสอนว่าหรือใจใชก้กว่าในขณะที่กําหนดลมครั้งแรกก่อนท่นดูทั้งกาย ท, ทั้งลมอย่างนั้นใจจะไม่มีปิติคือฐานของสมาธินั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าใจยังไม่มีสมาธิหรือสมาธิยังไม่เกิดจิตก็ไม่ชุ่มชื้นมันก็ไม่มีสุขใจเมื่อใจมันไม่มีสุขมันก็ไม่ทํางาน ถึงจะบังคับให้มันทำงานกดท้อๆถอยๆทำบ้างไหม่ทำบ้างการต้องทำใจก็เราให้นิ่งให้สงบซะก่อนในขณะที่เรากำหนดลมไว้อย่างนี้แล้วดูกายเพ่งกายแม้มันยังถ้าว่ารู้สึกว่ามันจะใจของเราก็จะมีกำลังหมดกำลังแล้วเราก็ถอยกลับไปสงบจิตเชียใหม่คืนลงไป กำหนดลมอนอนๆลงไปแล้วก็ไปตั้งนิ่งเพ่งดูดวงรู้ถึงเห่งดูจุดรู้นั่นเอาแต่ความรู้สึกเนี่นะดูแต่ความรู้สึกอย่างเดียวให้หนึ่งได้นานแค่เท่าไหรพลังกิจก็จะมีมากขึนเท่านั้นจะมีกําลังใจามากขึ้นเท่านั้นเมื่อมันมีกําลังใจแล้วแล้วเราจรึงจึงถอยมาดูอีกใหม่ถอยมาโดยอาศัยลมนั่นแหละ กำหนดลมขึ้นมาถอนขึ้นมากำหนดไว้ที่ลมน้จะจะถอนเรื่องมันถอนอยังไงมันก็ขึ้นมาเองถ้ากำหนดลมแล้วแม่ลักที่ท่านสอนว่าเมื่อใจเข้าถึงความสงบถึงฌานเข้าถึงอกเปกขาลมๆมก็ไม่มีมลักานาเนะื้ ความรู้สึกกายก็ยังไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยอยู่ข้างในกิจยอย่างนั้นมันไม่ทำงานทีนี้ถ้าถ้าเราจะใช้ให้ใจได้เกิดปัญญาต่ตอไปทันึงให้สาวถอนขึ้นมาถอนขึ้นมายังไรถอนขึ้นมาด้วยอาศัยกรรมฐานที่เราเข้าไปคืออาศัยลมนั่นเองกาหนดลม ให้รู้สึกลมขึ้นมาก่อนกำหนดลมนั้นไว้แล้วก็เพ่งดูกลายต่อไปอันนี้อารมณ์กรรมฐ า, านที่เป็นนาณาปาที่เราใช้กันถกรรมฐ า, านอื่นจะใช้ก็ได้เมื่กันสมมติว่าัน้ท่านสอนให้บริกรรมบทโ ถ, ถบริกรรมพโพธโธโพธโธตั้งจุด นื้อพุโทโธอันจนได้จุดตั้งอันใดจนได้ที่หมายเนื้อพุโทโธต้องดึงเข้าเข้าที่หมายเกิดที่สองบทันทีจะเอาไปที่อื่นไม่ได้จิตไม่นิ่งแต่พอครองเข้ามาในจุดตั้งนี้ว่าพุโทโธธรรมโอสังโฆแล้วก็พุโทโธพุโทโธในจุดเดียวนะั้นดูในจุดเดียวนะว่าอยู่ในจุดเดียวเราเพ่งมองรักษาความรู้สึกที่มันว่านั้นว่าไปจนขั้นตอนมันจับจุดที่ตรงที่มันว่าได้แล้ว มาจับจุดตรงที่มันว่าได้แล้วเราก็หยุดนิ่งไม่ต้องว่าทีรักษาใ้ความรู้สึกให้รู้อยู่อย่างเดียวเรียกว่ารักษาพุทธโธมาในว่าพุทธโธมาในนึกพุทธโธละทีนี้พอรักษาตัวพุทธโธคือผู้รู้พุทธโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันเป็นคนของพระพุทธ เ, เจ้าเราก็เข้าถึงคนนั้นเข้าถึงคืนคนพุทธโธคือผู้รู้นั้นนิ่งรู้อยู่ คราวนี้เมื่อเราจับจุดจับที่นิ่งได้ดีแล้วเราก็จําไว้ว่าถ้าเราจะมันสงบจงตรงนี้ก็ต้องดึงลงตรงนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้มันนิ่งอยู่ตรงนี้จํามันไว้ตรงนั้นอ่าคราวนี้เราจะใช้ปัญญามาันะลยทีเดียจะต้องใช้ความคิดก่อนเข พ, พยายามที่จะดูกายต่อไปก็ต้องมึกนึกพุทโธเป็นหลักไว้ต่อรองง่ากว่านึกพุทโธ พร้อมทั้งนึกพุโทโธพร้อมทั้งเพ่งดูกายของตัวเองไปครั้งแรกก็เหมือนกับเป็นสองอย่างนะเมื่อทำก็จริงๆไม่ใช่สองอย่างคือประคองทั้งพุโทโธทั้งดูทั้งพุโทพโธวุทูมันก็เป็นไปได้ไปด้วยกันได้แล้ถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วนะใจก็จะไม่สอดใจก็จะไม่ถอนจากสมาธิแต่ว่า เราว่าตามหลักเอาจะได้ยินได้ฟังว่าจากที่ไหนหรือจากตำราใดๆมาก็ได้ว่าเมื่อใจตั้งมั่นหรือใจสงบแล้วต่อจากนั้นก็ให้พีนาหลังกายสังขารหรือพีนาขันห่าให้เห็นอันนี้จังทัวขานห่าตาี้หลักทันวารวมๆถ้าผูดด้ใดไปทำอย่างนั้นมันก็ถอนออกมา ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นอาตมาเนี่ยเคยเจอบทในหมามากแล้วเมื่อก่อนก็เจอบทนั่นแหละขอจอดเพอจิตสงบแล้วนะอ่านตำรามาอ่าท่านว่าเมื่อจิตได้รับความสงบได้นิ่งหรืสงบดีแล้วก็ต่อจากนั้นก็กําหนดกายพินากายต่อไปว่างาั้นเพราะจิตสงบเราหวานเมื่อก็่าจะพินากายแล้วนะจิตมันถอนมาหมดแล้ว สมาธิหายไปหมดแล้ว้พิาณากายก็เหมือนความคิดถนะึงปีติปาโมดในการพิณาใคร่ร่อนมันไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีแล้วบางคนไม่มีอย่างนั้นแต่มาพิาณาร่างกายนะ่ะพิณาร่างกายก็คือความคิดต่างๆแต่ว่า่อพิาณาร่างกายว่ามันแก่เท้าชรามันแต ก, กมันดับไปธรรมดาเราพิณางินะถ้าเราไม่ระวังตัวไว้ สงอนไม่จะเกิดแทรกแซงขึ้นมาแทรกแซงงนคะวามคิดบางครนะั้งคิดไปคิดมาวิ่งเข้าหาการมวิตกทสงเดชวิ่งเข้าไปหาพยาบาทวิตกทสงเดชก็มีหรือไม่ฉะ่นั้นก็จะเป็นอาการทางกายหลังคนพินาหลางกายพินาไปพินาไปสง่าพินาอสุภะกว่าหลังกายของเราน่นาขยะกขยแยงปุยเน่าพุกพังไปงไหนเป็นไง ใจก็เลยเป็นไปตามนั้นสลดสังเวชหรือเป็นอะไรต่างๆบางทีก็เป็นที่คือกระเทือนทางกายนี่ก็มี <c oughs> บางคนก็เกิดปีติปาโมทขึ้นมาเกิดสลดสังเวชขึ้นมาคราวนี้เลยเอาใจไม่ไหวที่ี้สลดสังเวชก็สลดสังเวชะบางคนถึงร้องไห้ขึ้นมาก็มีน้ำตาไหลออกมาร้องไห้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ไม่อยากจะให้แต่มันร้องไห้หนั่นแหละคือจิตทิ้งฐาน เห็นฐานที่ตั้งตัวเองไม่จําฐานที่ตั้งแต่งไว้ไม่รักษาที่ตั้งตัวเองไวง้ถ้าเราดูกายแบบเราใช้ลมเราก็กําหนดลมไว้นะ่ะเพ่งมองดูมันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็จะไปเข้าใจว่ามันจะไม่รู้ไม่เห็นถ้ามันพอแล้วบริบูรณ์แล้วมันจึงจะเห็นมันจะปรากฏขึ้นมาถ้าหากว่ามันพอแล้วบริบูรณ์แล้วแต่จะ จะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะว่าฐานที่ตั้งของเราคือฐานเบื้องแรงของความสงบนง่เครื่องอยู่ตัางหากคือฐานที่ตั้งให้จิตสงบให้จิตนิ่งเมื่อเราทำงานทําการอยะไรต่างๆพอสมควรแล้วก็ให้ไปเอากํหลังเคอหยุดแล้วจะกาหนดลมแล้วถอยคืนเข้าไปก็ไปตั้งอย่างที่เก่า สงบนิ่งดูใจต่อไปแล้วทีเนี่ยดูดวงรู้นะดูความรู้สึกให้มันนิ่งให้มันวางอารมณ์ทั้งหมดถ้ามันมีแต่ดวงรู้จุดเดียวเท่านั้นความคิดความฟงความแต่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันมีนัยนั้นเราก็วางไว้ตามสภาพวางไว้อย่างวิธีที่จะวางต้องกำหนดเข้าหาจุดรู้นะอย่างเดียวเท่านั้นดวงรู้นะมันก็มีแค่รู้นี่ท่านอย่างอื่นไม่ใช่ หมความคิดความปุงความแต่งหรือความสบายนู่นยสบายมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นพอกําหนดเข้าไปพอตั้งดวงรู้เข้าไปนะมันก็รู้สึกว่าชุม่มชื้นขึ้นมานะ่ะภายในนะถ้าเราไปเอาชุ่มชื้นนั้นมันก็จะเควจากหลักแล้วพอรู้สึกว่าชุม่มรู้สึกว่าสบายเราให้รับรู้รับท ร, บรบาบขึ้นมาแท้ถ้าเรารู้ตัวแล้วมันก็ไม่เป็นไรบอว่าอาการนี่มันชุ่มชื้นนี่มันอาการของสุกนั่นเอง อาการของปีตินั่นเองแต่ว่ามันเป็นปีติอย่างน้อย <c oughs> มันสมชื่นขึ้ น, นมาแล้วก็กำหนดรกูกันมาอันนั้นเป็นอาการนั้นใจแน่นอนเป็นผู้ไปรู้อย่างไอดวงรู้เนี่ยมันไม่ใช่สุข น, นนะม่ไม่ใช่ทุก น, น, นะไม่ใช่ปีอะไรทั้งนั้นมันมีแค่รู้เป็นกลางอย่างนะเข้าหาจุดกลางนี้อย่างไม่อย่างอื่นไม่ใช่นอกจากจุดรู้นี้เท่านั้นนะ แล้วก็ประคองจุดลูนั่นไว้ให้มีสติมัน่นคงสติมั่นคงนี่น่ะถ้าเรากำหนดดวงรู้ของเราเพ่งออกไปแม้จะเพ่งข้างในก็ตามเถอะหรือเพ่งส่องก็หาจุดตั้งเหมือนกับเราเพ่งไปตามสายตาเราเพ่งดูถึงว่าเอาใจเพ่งมองลงไปมันก็ส่องเราไปเหมือนกับมันไปทางสายตานะ มันก็เหมือนเดิ์เลยดวงรู้ไปอีกแหละมันเลยลงไปแต่มันก็ไปจับได้จิตแต่มันจะเลยดวงรู้นะ่เพื่อให้มันเป็นกลางนี่ะเราประคองเข้ามาทัานนันอย่าให้มันวิ่งไปหาสายตรงสายตาอะไรต่างๆท่นน่ะความรู้สึกมีแค่ไหนเพลงอะไรก็รู้อยู่แค่ความรู้สึกที่มีนั่นถ้าเราไปเพ่งมองมันก็เพ่งมองเลย มนเลยลงไปแล้วอาการที่ที่ให้เพ่งกายเพ่งดูกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็เหมือนกันถ้าเราก็เพ่งอาการก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกับว่าเราเพ่งไปตามสายตาก็ไม่เป็นไรถ้าเราเพ่งมองเนี่ยนะมันมันจําเป็นอยู่เองมันจะต้องวิ่งไปเหมือนกับมันเพ่งที่สายตามันก็ไปที่สายตาแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้มันเพ่งมองนั้นให้มันเห็นจุดนั้นถ้ามันจับจุดนั้นได้แล้วจิตมันจึงจะรวมก็ไปอีกทางหนึ่ง แต่ในขณะที่เรากำหนดดวงรู้เฉพาะแล้วเราจะให้ความรู้สึกของเราเพ่งไปตามสายตาถ้าความรู้สึกของเรามันเพ่งไปตามสายตามันก็เลยดวงรู้ไปกายดวงรู้ไปอีกกายดวงรู้ไปหาสิ่งที่มองเห็นหรือกายดวงรู้ไปสู่ไปกดที่ตั้งไปกดฐานที่ตั้งของใจในขณะที่เรากำหนดดวงรู้เฉพาะหรือ ในขณะที่เรากำหนดลมหายใจเข้ามาตามลำดับขั้นหายใจพุโทโธพุโทโธมาแล้วก็เอาลมละเอียดหายใจเข้าหายใจออกดูที่กระทบครั้งแรกก็เรียกว่าดูที่กระทบเอาใจจวดจอดที่กระทบก็เหมือ น, น, นเราเพ่งมองด้วยสายตาเยียถ้าเรากำกหนดจับไว้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรต่อจากนั้นเราจึงจะวางคือให้ใจมันจับจุดนั้นได้ซะก่อน เอาความรู้จับจุดที่ที่ลมกระทบเนะ่ยดูจุดนั้นลมเข้าลมเอาก็รู้อยู่ในจุดเดียวนั้นพอนานเข้านานเข้าเราวางลมแล้วประคองดงรู้พับอดงรู้ก็รู้ทีนี้งประคองเข้ามาดึงเข้ามาจะส่อสอลงออไปลคลายว่าประคองอารมณเข้าหาจุดตั้งนั้นเท่านั้นนะ่ะไม่ได้ส่งไปข้างนอกข้างไหนเท่านั้นแต่ว่าเราทวนเข้ามา ดึงความรู้สึกนั้นเข้ามาจดตั้งประคองไวอย่างนั้นพร้อมทางเดิว่านี่ดวงรู้มีแค่นี้กาหนดลวงรู้มีแค่นี้ก็รู้อยู่ที่รู้เนี่ยเราจะรู้อยู่ที่มันรู้นี่นะอย่างอื่นไม่ใช่เอาแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปกดสิถ้ายังไปกดประครไปดึงอยู่ก็เรียกว่าบังคับจิตยอยู่จิตก็ไม่สบายต้องปะครองให้จิตมีความรู้สึกนิ่งรู้อยู่นั่นจึงจะมีพลัง